ب ิ سم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ALLAHU MUSSALI a l السلام عليكم ورحمة الله وبركاته วันนี้เป็นการอธิบายอันกุรอานในสุรยูซุฟนะเรื่องสิ่งที่ ใน บ, บิยูซุปได้จากพระผู้เป็นเจ้าคือได้จากอัลลอฮฺสุบฮานอวตาลาอายะที่1้อถึงอายะที่106นะตอนนี้ได้ชิปแล้วเอ้ยชิปคนๆๆบอกชิปเอาได้แล้วนะอ่านอับุนนิดหนึ่ง أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب قد آ ت ي تني من الملك وعلم تني من تأويل الأحاديث فاتر السماوات والأرض أنت و ل أن ي في الدنيا والآخرة توفّني مُسلمًا وألحقني بالصالحين ذلك من أ َ م ب ا ء الغيب نوح إليك وما كنت لديهم إذا أجمعوا أمرهم وهم يأمرون وَمَا أَكْسَرُ النَّاسِ وَلَوْ جَرَتْتَ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ว่าไงมี ا ีในอายะต์ในสภาวะและอัลอัรด์จะมรรนเ ا ลียห์ว่าหุมเกลห์มรรดว่าไม่ ؤمن อักษรหุ ل มบิลลาห์อิล و าหุมมุชริกุประเด็นที่เราต้องจับตามองก็คือ right> ว่า สิ่งที่นบียูซุฟได้รับจากอัลลอ์คืออะไรบ้างนะอัลลอฮ์วะลาีขอลกขลกุมมาฟินอัตดีจะมีอาโดยในยกักอันกุรานั้นบอกว่าอัลลอ์สร้างทุกสิ่งทั้งหมดนั้นเพื่อประโยชน์สำหรับพวกท่านสร้างมาเพื่อให้แต่ไม่ได้สร้างมาเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์สำหรับพระองค์เองทำไมถึงขนาดนั้น เพราะอัลลอฮ์คนนี้ยุนอันนินอิลามินอัลลอฮ์รวยคืออัลลอฮ์ไม่พึ่งโลกไม่พึ่งสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์สร้างมาแต่สั่งให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นรับใช้มนุษย์เพื่ออิบะดาต่อ Allah. อัลลอฮ์ต้องอยู่กับสิ่งต่างๆให้มันรับใช้เราไม่ได้อยู่กับมันเพื่อให้มันใช้เราบางทีเล่นลายมันใช้เราก็ทั้งหมดเวลาละหมาด แล้วแล้วมาถามอาจารย์ลืมมาบาปไหมนะลืมนะบาปไหมอ่ารบบีอะรอบบีเนี่ยเดิมคือ <c oughs> คำว่าโ <c oughs> รบบีแต่ตัดยาออกยาบุตะการลืมตัดออกเพื่อเป็นการเน้นโรบบียารบบียารบบี คารอบบีเป็นการเน้นมากกว่ารอบบีแต่ในยะเราขอละอา้อนละเหมือนกันงั้นได้รับบทเรียนตรงนี้เลยว่าเวลาจะขอดะอ้อนละเราจะเริ่ออะไรก็แล้วแต่นะจะพูดอะไรก็แต่ก็ดะอ้อนละอย่ารอบบีหรืออย่ารอบอไปได้รอบบีได้สองอย่าแต่คนอ่านแต่ยะนี้รอบบี้ใครกําลังขอ ท่านนาบียูซุฟอะลัยฮิสสลามกำลังพูดกำลังขอกำลังบอกให้ได้รับรู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อตอาไตตุมูนีมินัลมุลกิแท้จริงก็อตเข้ากำกับเฟียมาดีแปลว่าแท้จริงถ้ากำกับเฟียมุดอเนีแปลว่าบางทีนะแท้จริง อาไตตานีพระองค์อาไตต้าท่านได้ให้กับฉันคือท่านคือใคออรอัลลอฮ์ก็แปลนั้นว่าพระองค์คือพระองค์อลัลลอฮ์คือท่านคือพระองค์อลัลลอฮ์อาไตตานีได้ประทานให้กับฉันได้มอบให้กับฉันมอบอะ ไ, ไรมินัลมุลกีมอบอำนาจบางส่วนมินลิตะบะอิด แปลว่าอํานาจบางส่วนอลัลลอฮ์ได้มอบให้กับท่านนาบียูซุฟอนะอลัยฮิสลาฮนะอัลลอฮ์ก็มอบอํานาจหลายๆอํานาจให้แก่นบีก่อนหน้านี้นะนบีหลายนาบีก็มีมวยยิศาสอลัลลอฮ์มอบให้ก็เป็นอํานาจที่อลัลลอฮ์มอบให้อํานาจสูงสุดเป็นของอลัลลอฮ์แต่อลัลลอฮ์ก็มอบมวยยิศาสมวยยิศาส์อะยาราแปลว่าทําให้อ่อนแอ มกยิศาส์ที่เราแปลว่าปาฏิหารหมายความว่าไม่มีผู้ใดจะเอาชนะอำนาจที่อัลลอ์ให้แบบพิเศษได้เช่นนับีมูซากับฟิรนูนฟิรูนก็อะไรล่ะควางเชือกมาเป็นงูใช่นไหมแต่นี้งูนะ่ของฟิรนนะูนหรเป็นงูงูเทียมงูตั้งไหน มันเป็นอะไรมันเป็นส่วนประกอบที่มีเขาเรียกอะไรนะฮะประรอดอมีประรอที่อยู่ในนั้นนะ่ะประรด่เวลาวัดความร้อนความหนาวนะ่ะทามันร้อนนะ่ะประรอดอมันจะขึ้นใช่พอประรอดอมันขยายตัวปุ๊บไอ้เชือกมันก็เดี๋ยวไปเดียวมาขึ้นตัวไปขึ้อนตัวเหมือนกับเป็นงูแต่นั่นคืออะไรนั่นคือภาพจําลองที่มนุษย์ทำได้แค่นั้นแหละ แต่อำนาจที่แท้จริงอัลลอฮ์ก็ให้กับท่านนาบีมูซาอะเลสลามโดยให้มีไม้เท้าขวางไปก็เป็นงูจริงๆแล้วกลืนกินงูปลอมทั้งหมดนั่นคืออัลลอฮ์จะให้อำนาจแก่นบีงั้นนบียูซุปก็ได้รับอำนาจมีนัลมุลกิอำนาจบางส่วนเท่านั้นเองบางส่วนตรงไหนอะเป็นผู้ครอบครองเป็นขุนกลางของอียิปต์ เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ต่างๆเป็นเจ้าเมืองนะนี่อำนาจบางส่วนเท่านั้นเองงั้นนับีุยูซุปหึกเหิมห ม, มั้ยไม่นับีุยูซุปไม่ได้หึกเหิมต่ออำนาจที่พระองค์ให้แต่นบีุยูซุปจะถือบวช ด, ด้วยนะจะจะจ ะ, จะถือถือบวชมีคนถามนับีุยูซุปว่าเป็นกระทั่งขุนคลังของอียิปต์ทำไมต้องถือบวช ด, ด้วย น บ, บีซุบตอว่าถือไม่รู้จักความหิวฉันจะได้ไม่ลืมคนที่มีความยากจนนี่คือการบังคับใจตัวเองสอนใจตัวเองนั้นนะใจเรามันจะดือ้อใจเรามันจะดือ้อดันเป็นนับสูอัมมาระจะดึงดันต่อคำสั่งอัลลอฮ์เราต้องทำอย่างไรที่เป็นอิบาดาต่ออัลลอ์และคมความรู้สึกของเราให้ได้ เราขี้เหนียวอาภาษาบ้านๆขี้เหนียวตะีทีเหนียวขี้เหนียวทำอย่างไรจะลดความขี้นะปลดความขี้เหนียวออกไปจากตัวเราได้คือทำอยังไงตัดสินใจบริจาคตัดสินใจบริจาคหักใจกันเลยบริจาคเพื่ออลัลลอฮ์ขี้เหนียวเพื่อชายตอนเอ้าหักใจกันเลยใจไปใจจะไปทางไหน <c oughs> ผมเคยรณรงค์ที่ทีเอมทีวี มีวิทยากรถามว่าอาจารย์ไม่มีคนโทรมาบริจาคเลยเนี่ยอาจารย์รู้สึกยังไงผมว่าผมไม่รู้สึกครับจะบริจาคไม่บริจาคไม่ใช่เรื่องของผมแต่มันเป็นเรื่องของคนมีโอกาสที่เขาขาดโอกาสจะบริจาคเท่านั้นผมไม่ทุกข์คนระหว่างว้นมันตอบยิงนี่วหวังจะไปทุกข์ใจได้ยงไงล่ะมันของเขาใช่ไหมเขาตัดสินใจแล้วต้องไปทุกข์ไม่บริจาคได้เครียด น, นะ ทำให้แก่เปล่าๆนี่ก็แก่พอแล้วเขไม่เขียดไม่เสียใจด้วยอาจะว่าไม่งอกระแรงไปก็เขามีโอกาสเขาไม่เอาก็เรื่องของเขาอะ่ะนะงั้นอับดุยุสุบเน่ยเวลาได้ดีบได้ดีมาลักษณะหนึ่งนิสัยหนึ่งก็คืออะไรคำหนึ่งถึงความเมตตาของอลัลลอฮไม่มีตะกบุตรอานาจบางส่วนนะ และส่งสอนข้าพระ อ, องค์คืออัลลัมตานีอัลลัมตานีและสอนพระ อ, องค์สอนชั้นสอนชันสอนข้าพระ อ, องค์นดิมลำบากเอาภาษาบ้านๆสอนชั้นบางทีมันมีภาษาเอาเอ า, เอาภาษาของวังมาใช้ท่านนบีไดเ้เสวยพระกายาหารโอ้โหทรงบรรทมทรงเบิกพระเนตรอย่างนีเอาบ้านๆดีกว่า นั่นเป็นาภาษาของคนอีกระดับหนึ่งนะวะวะลัมตานีและพระองค์ได้สอนฉันให้รู้ถึงอะไรตะวีมินตะวีาหรืออฮาดิสให้รู้ถึงการทํานายฝันให้รู้ถึงการทํานายฝันแล้วทํานายไปเนี่ยถูกจริงๆเพราะลอสอนให้รู้ทํานายแบบเราเนี่ยมันเดาเดา นะทำนายแบบเราเนี่ยมันเดาๆเพราะการฝันอบีบอกว่าฝันดีน่มาจากอัลลอ์แต่ฝันไม่ดีเนี่ยฝันร้ายเนี่ยมาจากไชตตอนงั้นฝันไม่ดีเน่ะต้องไม่เล่าให้ใครฟังเพราะไอ้คนข้างๆมันไม่รู้การทำนายฝันมันก็จะบอกอย่างงูนอย่างงี้แย่แล้วคุณตายงานนี่ธุรกิจที่ทำเจ๊งแน่อาหมดกำลังใจ ฝันไม่ดีไม่ต้องเล่าฝันดีเล่าได้จะให้คนที่เราไว้วางใจเล่านะงั้นฝันของเราที่เราทำนายเดาๆกันเนี่ยบางคนฝันว่า ง, งูกัดคุณก็ทำนายว่าจะได้แต่งงานไอ้นั่นก็ะยเกินเลยว่าจะได้แต่งงานนะรอผอมมาตั้งหลายปีไม่ได้แต่งงั้นไม่ใช่ฝันว่า ง, งูกัดจะได้แต่งงาน ฝันว่ายกยอได้ปลาจะได้เงินก็ใช่ที่ยกยอได้ปลามาไว้กินแหะขายก็ได้เงินงั้นอันนี้ไม่ใช่แต่ส่วนมากการทํานายฝันที่มีหนังสือทํานายฝันเนี่ยสรุปแล้วมันจะเป็นสถิติมันจะเป็นสถิติว่าฝันแบบนี้แบบนี้ส่วนมากมันจะมีอารมา์แบบนี้แบบนี้แันเป็นสถิติเท่านั้นนะเพราะว่าหนังสือเรื่องการฝัน ทำนายฝันมันมีอยู่เพราะเราเราไม่ได้รับการสอนสั่งเหมือนกับที่นบียูซุฟได้รับจากอัลลอฮ์สุมาตาลานาบียูซุฟบอกว่าไงเอกบอกว่าฟาเตรสามาวาติวันอัตอันตะวารียุงฟิดดุญาวันอาเครออัลลอฮ์เป็นผู้สร้างนี่ความรู้ที่เราได้รับสํานึกที่นบียูซุฟมีต่ออัลลอฮ์สุมาตาลาก็คือว่าให้ความรู้ สอนวิธีการทำนายฝันให้ความรู้ในเรื่องนั้นให้อำนาจแล้วนบียูซุปก็บอกว่าอ่านก็บอกว่าฟาตทรสสามาวาเทวันอัลอลอฮ์เป็นผู้สร้างฟ้าและแผ่นดินนะฟาติสสามารถฟาหลายชั้นและแผ่นดินหลายชั้ น, นสามรารแปลว่ามาจากคำว่าสูมูวนสูมูวนแปลว่าสูงงั้นสามาจะสูง และมีชั้นหลายชั้นนะชั้นของบรรยากาศก็กมีหลายชั้นแล้วก็สูงขึ้นไปอีกจนถึงสมาอุดุลยาซึ่งเราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนที่วาฮีลงมาทั้งหมดกุรอานทั้งหมดลงมาพักทีสมาอุ ด, ดุลยาแล้วยิบรีนก็เอาวาฮีบางส่วนบางตอนค่อยๆทยอยลงให้กับท่านอับดุลเบี๊ยงมุฮัมมัดสุลตานลำก็นี่แหละค่อยๆทยอยลงมาท่านอบียงอุสุกส็ว่าอัลลอฮ์สร้างฟ้าสร้างแผ่นดิน นะอันตะวารียุนฟิดดุนยาวัลอาคิอระอันตาท่านนั้นคือพระ อ, องค์ท่านนั้นคืออัลลอฮ์แหละวารียุนเป็นผู้คุ้มครองนะเป็นผู้คุ้มครองเป็นผู้ปกครองเป็นผู้คุ้มครองฟิดดุนยาวัลอาคิอระทั้งในโลกดุนยาและอาคิอระนั้นเราจะได้ยินว่าวารีวารีถ้าเราไปขอลูกสาวอะไรเงี้ย ต้องไปได้ไปขอกับวลีของเขาคือผู้ปกครองของเขาไปขอผู้ปกครองเขาเขาจะให้หรือไม่ให้เขาก็ดูบุ ค, คลิกตามแบบอิสลามมีอิสลามหรือไม่มีอิสลามเอาตรงนี้เป็นตัวตั้งถ้าจะไปแต่งงานกับคุณฝังคานูนก็คนฝังคานูนก็ต้องมารับอิสลามไม่ใช่เป็นการเอาเปรียบ แต่เป็นการปรับบริบทของชีวิตว่าเมื่ออยู่ในศาสนาในการแต่งงานแล้วต้องมีศรัทธาที่เหมือนกันศรัทธาคนละอย่างก็อย่า อ, อ, อยู่ด้วยกันอยู่ไม่ได้นะอยู่กันไม่ได้แน่นอนลูกก็จะสับสนลูกออกมาพ่อไปมัสยิดแม่ไปวัดไม่รู้จะเอาอยัางไงได้ระหว่างมัสยิดกับวัดนะรถนิยมต่างกันแต่แย ก, กแน่ แฟนชอบกินแกงส้มเปรีป้ยวๆผัวบอกเปรี้ยวมากนักทะเลกกาะกันเรื่องแกงส้มผลสุดท้ายความถ้วยแกงไม่ต้องกินรสนิยมแค่แกงส้มต่างกันก็นยุ่งแล้วงานวิถีชีวิติต่างกันลูกเป็นยังไงล่ะเราต้องมีลูกที่ซอแล้วถ้าศรัทธาต่างการลูกซลแลกเกิดไม่ได้หรอกมันจะเกิดคํามันมีคำอยู่สองคําซอแรกประวัติถ้าตอนแรกปรวัตอะไร ซอรแรกแปลว่า ด, ดีถ้าตอนแรกแปว่าตอนแหลภาษาระดับเขาแยกนะระหว่างซอตกับตอนซอรแรกเป็นคนดีข้าตอนแรกเป็นคนตอแหล่ไม่ได้ว่าใครนะเดี๋ยวแม่ปากจัดถือว่าตอแหล่เราไม่ได้ว่าใครภาษามันเป็นแบบนั้นเหมือนใครจะตําหนิก็บอกว่าภาษามันพาไปฮะนี่ความขัดแยง้ง นบีิสวะอันตะวาลีอยู่ท่านเป็นผู้คุ้มครองไม่ได้บอกเลยว่าฉันเด่นกับคุณเอ้ยเราแจ๋วนะเรามีความรู้ตรงนี้ไม่อัค่อยรุมมิ้นทูภาษานี้ไม่มีภาษานี้เป็นภาษาของอิบลิษชัยตอนที่อัลลอสั่งให้มโนสิอยู่ต่ออาดัมมันไม่สิอยู่ต่ออาดัมเพราะอะไรมันติด มันหลงติดยึดว่าอนาคอยรุมมินหูฉันดีกว่าอาดัมขรรคตานีมินนาตอัลลอฮ์สร้างฉันมาจากไฟนาฏนุษมาจากไฟว่าขรรกตหูมินตีนและสร้างอาดัมมาจากดินอิบริมมันสรุปเลยว่าไฟดีกว่าดินใครบอกใครบอกไฟดีกว่าดินมันสรุปให้กับตัวเองไฟก็ดีดินก็ดีทั้งนั้นแหละอาศัยด้วยกันใช่ไหม ไฟไหม้บ้านเหลือแต่ดิน <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ดินปลูกบ้านไฟไม่ไมีเกี่ยวเนี่ย <c oughs> งั้นเวลาเวลามีอำนาจขนาดนี้ต้องอะไรต้องสูโกต่อรอเหมือนกับท่านอับียูซุฟอะลาฮิสลามรอแสนอรอสุไลคออดใจไม่ได้คิดดูสิแต่ถึงวันที่เราเจอบ้างจะอดใจได้อย่างไรข อ, อใหญ่เจอเลยไม่มีวันเจอเราเขาตายไปตั้งนานแล้ว อ, อย่าสาเลยนี่ความหลอเหลาเอาการงั้นความหล่อความสวยบางครั้งมันเป็นศัตรูของชีวิตเป็นศัตรูของชีวิตแต่ว่าถ้ามีศรัทธาไม่เป็นไรอัลฮัมดุลิละเหมือนนบียุซุฟอ๋อคุ้มของฉั น, นฟิดดุนยาวันอาคิรอทั้งดุนยาและอาคิรอด้วย เราไม่ได้อยู่โลกดุนยาอย่างเดียวอยู่ดุนยาทําหน้าที่อะไรอัดดุนยามาซาลาอตุนอาคิรอดุนยาได้รับการเปรียบเทียบเป็นแหล่งเพาะปลูกผลประโยชน์เพื่ออาคิรอเก็บผลประโยชน์ตรงนี้บริหารผลประโยชน์ในโลกดุนยานี้บริหารคําสั่งของอลัลลอฮ์เพื่อให้กลับไปสู่การตอบแทนของอลัลลอฮ์ในวันอาคิรอเพราะวันอาคิรตูดารุนญะราอาคิรอเป็นโลกแห่งการตอบแทน ดนยาอยู่แป๊บเดียวแต่บีบอกเกณ์ของวเราหกสิถึงเจ็สิปีบางคนเก้าสิปีบางคนรอยปีนิดเดียวเดี๋ยวก็ไปกันแล้วออาไม่เชื่อลองดูเราไม่รู้บรนปา ย, ยุธราไม่เชื่อลองดูดูหน้าสิค่อยๆ ย, ยับทีละน้อยรีดเารารก็ไม่ขึ้นดูตาสิมัว มาหนึ่งตัวไม่มีปัญหาถ้ามาสองตัวแย่เลยมาได้มาหนึ่งตัวก็มัวหนึ่งตาพอไหวถ้ามาสองตัวเสร็จนีผมมาหนึ่งตัวเ น, นี่ยตาเนี่ยตาสายต่อกระจกยังไม่ลอกพราหมอบอกว่าไม่ให้กระทบกระเทือนไม่ให้หิวไม่อุ้มไม่ทำอะไรเลยแล้วผมต้องดูหลานสามคนลูกสายปามกาใครจะช่วยซักผ้าซักผ่อน ผมทุกวันเนี่ยเหมือนกับซักพระอ้อมให้กับลูกกันแหละห้ามดูลิลล่าก็ทําหน้าที่กันไปก็ไม่บุญนะกลัวจะไม่ได้บุญนะอะไรนะซักเครื่องกันแล้วมันเยอะซักแล้วต่างๆอีกตรงใสน้ํายาบางทีก็ไม่ได้ใสเหม็นสาอใครมาว่าเราไม่ได้รอกเราว่าเราแก่แล้วเราบอกเราลืมจำไม่นะพอพลาดแล้วโอ้แก่แล้วอย่าถือสา น, ะนี่สิ่งสำคัญที่เราต้องมีต่อไปตรงนี้นะคิดนะแ <c oughs> ต่ว่าฟานีมุสลิมแต่ว่าฟาขอให้ฉันได้ตายแบบไหนมุสลิมแบบผู้ที่นอบน้อมยอมตนต่ออัลละ์โดยสิรูราบกับอัลลอ์ทุกระบบที่อัลลอ์สัง้งตายเป็นตายโดยเป็นมุสลิมผู้นอบน้อมยอมตนต่ออัลลอฮ์ ถ้าตายแบบนั้นตายและอะไรครับสองวัดเลยนะว่าอัลฮิกนีบิซอยลีฮินและขอให้ข้าพระองค์อยู่ร่วมกับหมู่คนดีทั้งหลายโลกดน ญ, ญานี้ก็อยู่ร่วมกับคนดีเพราะคบกับคนดีเนี่ยภาษาไทยมีใช่ไหมคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล นะคบคนดีจะมีแต่คำแนะนำตักเตือนจะมีแต่การห่วงใยมีนาซี๊ดาตลอดเวลานะพยาบางคนอยู่กับสามีดีๆไม่ได้มันเตือนตลอดเลยมันทำอยากก่างเราเป็นเด็กวะเขาเตือนเพื่อให้ศาสนาดันรำคาญนะอย่าไปรำคาญเขารักเราก็ห่วงเราเขาไม่ยอมให้เราตกนรก เช่นผู้ชายดีๆที่ก็มีอิสลามตายไปเขาได้เมียอีกนะ่ดาด้อนอบิดันดารีฮูรุณนอินอร่อยจัดการให้แล้วนะพวกเราเนี่ยยังไงล่ะไนะบีบอกสวยกับนางสาวสายหว์น ถ, ถ้าจำเลมไปประมาณเจ็ดร้อยเท่าสวยกว่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงิชาล้อนะที่โอ้ยทาอย่างนั้นบางยีกันลือหลงเขาี่ไม่สนใจเราเจ็ดร้อยเท่า Hmm. ชุดแต่งกายมองข้างนอกทะลุไปข้างในเลยออ oh, ความสวยความงามแต่แบบไหนไม่รู้นาะยยังไม่ได้ไปนบีบอกให้ฟังเราก็จินตนาการเรื่อยๆเองนะวันนั้นมีแชร์คนนึ่งว่าแกยังกู้จะได้หรอวะเอ้ยไ ด, ได้ตามที่เราสัง่ง <laughs> เลาบอกนะงั้นดวงอาตอนนี้นะงั้นเราก็ต้องมีดวงอาของเราในนี้นบียุซุขอดวงอาเห็นไหม มีอำนาจขนาดนั้นหลอขนาดนั้นมีขอบครองขนาดนั้นทํานายอะไระไรได้สารพัดแต่ว่าฟานีมุสลิมันไม่ได้บอกว่าอั น, นค่อยลงมินทูผมดีกับคุณไม่มีแต่ว่าฟานีมุสลิมว่าัลาฮักนียบิซอลิฮีนเอาจําไปใช้ขอให้ฉันตายแบบผู้ที่ยอมตอนนอบน้อมต่ออัลลอฮ์และขอให้ฉันได้อยู่ในร่วมคนที่ซอและทั้งหลายคนซอและส่วนคนซอและคนดีคนที่พัฒนาตามแบบอย่างของอันอิสลาม นั่นเราต้องเลือกคบเพื่อนเพื่อนที่สนิทสนมอ่ะมันจีเมอารมณ์ความรู้สึกที่พองไทยให้แก่กันและกันในความใกล้ชิดงั้นความใกล้ชิดเนี่ยมันจะพองไทยไอความรู้สึกต่างๆถ้ามีอิสลามมันก็จะพองไทยอิสลามให้แกเราส่งต่อแบบเราไม่รู้สึกเนี่ยความเคยชินแล้วก็เก็บความเคยชินเหล่านั้นแบบอิสลามมาว่าเป็นนิสัยของตัวเองแต่ถ้าเพื่อนไม่ดีเนี่ยแรกๆพูดคำหยาบเราอาจจะรับไม่ได้ แต่นัานๆนไปเราทนได้เพราะความรู้สึกเรามันหนาขึ้นแหมอย่างนี้เป็นต้นมีคนหลายคนบอกยันยติพูดหยาบว่ะผมไม่ได้พูดหยาบเราพูดภาษาโบราณเช่นพูดหยาบว่ามึงยันยันนั่นนะก็เป็นภาษาโบราณนะอย่าถือสาอ่าตอนนี้ดูว่า <c oughs> มันมีการอุทิเหมือนกันเราอยากขอว่าให้ฉันตายไปเถอะมุสสินจะไม่ขอแต่จะขออุอาต่ออัลลว์ถ้าเรามันวิกฤตชีวิตมากเลยนะก็ขออุทิศต่ออัลลว์ว่าโอ้อัลลอ์ให้ฉันมีชีวิตอยู่ถ้าการมีชีวิตอยู่ของฉันเป็นความดีสำหรับฉันและขออัลลอฮ์ได้เก็บฉันไปถ้าความตายของฉนันเป็นความดีสำหรับฉันอย่างนี้ขอได้ ทำไมล่ะเราไม่ได้ขอเพื่อสาปแช่งตัวเองแต่เราอิงคําสอนกับอํานาจของอัลลอฮฺสุบะฮฺอัลอาลามอัลลอฮฺโปรดให้ฉันได้มีชีวิตอยู่เถิดแต่การมีชีวิตอยู่มันเป็นการดีสําหรับฉันเรารู้ไหมไม่รู้แต่ใครรู้อัลลอฮฺรู้และขออัลลอฮฺได้เก็บชีวิตฉันไปถ้าการตายด้วยการเสียชีวิตในครั้งนี้มันเป็นความดีสําหรับฉันใครรู้อัลลอฮฺรู้ที่ขอแบบนี้อันนี้ไม่พอใจขอให้ตายเถือ่อยยัยล้อยังไม่ทันอะไรเลย ขุ้งข้าวสุกหัวบวนุนเอ๊ะหัวบวนุนสามีบุหย่อนลงให้ฉันตายไปเถอะฉันก็พยายามทำดีแล้วมันยังสุกอย่างนี้แหละงั้นคนมีความคิดแบบไม่เครียดก็จะเป็นอะไรละ่ะหุงข้าวดิบอ่ะทำด้วยมันดีขุนข้าวแช่ก็นุ่มดีหุงข้าวธรรมดาก็อะลอกินอยู่เป็นประจำแล้วมันจะเป็นอะไรละ่ะรอให้กำลังใจเขาสิใครตั้งใจจะหุงดิบ สมัยก่อนนั้นก็โทษกันไปโทษกันมาอะ่ะสมัยก่อนนะ็นไหมท้องไอ้ท้องทําไมจึงปวดกินข้าวดิบข้าวไอ้ข้าวทาไมถึงดิบก็ฟืนมันเปียกฟืนไอ้ฟืนทาไมมันเปียกเพราะ ก, กบมันร้องกบไอ้ยกบทําไมจึงร้องเพราะท้องมันปวดอ่ะเหรอฝนตกเพราะกบมันร้องแก่กกันไปแก่กันม า, มาอ่ะห้มดูดินละได้มีข้าวกินพอแล้วชาวสีเดียเปยังไง มืสิ่งที่ถูกถล่มเป็นยังไงเราตื่นนอนมามีทุกอย่างเลยหม้อไห้ไอะไรต่รักาเร า, ร า, าพัดบ้านช่องที่รับที่นอนมีทุกอย่างเลยเครื่องลายก็ยังอยู่แต่พวกอสิสราเอลตายเป็นยังไงตื่นนอนมาพ่อก็ตายแม่ก็ตายลูกก็ตายทรัพย์สมบัติก็เสียหายจะกินมื้อนี้แต่จะกินตรงไหนนี่ข้าวลำบากกับเราเยอะ นั้นสิ่งหนึ่งที่ผมบอกตอนนี้มันมีความคิดนะมันจุดประกายความคิดว่าบางทีความสบายเป็นอันตรายสำหรับเราถ้าเราไม่คุมวิถีชีวิตแบบอิสลามถ้าเราไม่คุมแบบอิสลามคุมแบบอิสลามก็คือสบายนึกถึงคนยากคนจนใช่ไหมงั้นโดยระบบเงินของมุสลิมเป็นยังไงหนึ่งถ้ามีตังสามร้อยสมมติส่วนหนึ่งดูแลตัวเองร้อยบาท อีกร้อยบาทดูแลสังคมอีกร้อยบาทสำหรับการลงทุนนี่ระบบเงินระบบการไหลเวียนของเงินแบบระบบอิสลามส่วนหนึ่งร้อยบาทสำหรับการกินอยู่อีร้อยบาทสำหรับการดูแลคนจนอีกร้อยบาทสาหรับการลงทุนวันนี้ใครมีที่ดินเลนะลงทุนไปกับที่ดินไม่ต้องลงอะไรเยอะผักกระเจี๊ยบรวยขึ้นได้เก็บกินแล้วพริกมะเขือในที่ดินไม่มีสารพิษเจ บ, บน จะไหวรักษาตัวเด้อกับสารพิษทั้งหลายที่มันมีอยู่มากในสังคมบุ๊กสิดินเยอะไม่ได้ใส่กระถางกินตะไครทีกินกี่ต้นมันจะกินเป็นกอเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเราเราทำได้เราเอาของบริสุดมาใส่ ก, กระถางน่นล่ะมะกูดต้นพีกีนูต้นตะไคร้สบายเลยอย่าไปขอเขานะคนเดินย้อนมาแล้วไปขอเขาทุกวันทุกวันเพื่อให คนปลูกได้บุญคนปลูกําคาญขอทุกวันนิสัยไม่ไดีถามว่าเฮ้ย hey, กูถามมึงจริงๆอ่ะบ้านมึงอยู่บนฟ้าหรืออยู่บนดินวะถ้าอยู่บนฟ้าปลูกไม่ได้ไหมมาไม่เปไ็นไรมาขอกูทุกวันได้ถ้าอยู่บนดินโทษทีปลูกซะหน่อยเถอะลูกมึงจะได้นิสัยมึงด้วยเออเขาก็ว่าดีนะนี่ผมเอาภาษาชาวบ้านมาถ่ายทอดเขาเรียกว่าไอ้นะโดยตรงกับโดยอ้อมอ่าต่อไป อ่ก็ก็ทายาตตายกันอย่างที่ว่าแหละเอ่อในอายัาต่อไป <c oughs> เราต้องขอต่อล่อนนะให้อยู่กับกลุ่มชนที่ดีขอด้วยปฏิบัติด้วยเลือกงั้นเราต้องเลือกครบะไรเลือกครบเพื่อนที่ซอและที่สนิสนม แต่ว่าเพื่อนที่อาจจะไม่ค่อยดีนิสัยไม่ค่อยดีหน่อยจะมีความรู้เราก็ครบในระดับหนึ่งว่าเพื่ อ, เ พ, อเพื่อพองถ่ายความรู้จากเขามาที่เราอ่าง น, นี้อย่าสนิทสนมจนซึมซับอุปนิสัยที่ทรยศ ต, ต่อเลาะอย่าเอาอาอย่าเอาตรงนี้ไม่เอาครอบครัวก็เหมือนกันฟัดฟัตบิดาติดดินเลือกบาติดดินบีาตนแบบตัวตนเลือกคนที่ตัวตนในความเป็นตัวตนชีวิตจิตใจอะไรอะไรทั้งหมด เป็นดีนซาติดีนที่มีอิสลามอัลลอฮ์ไม่ใช่คำว่าอิกตารอซึ่งแปลว่าเลือกเหมือนกันแต่ใช่คําว่าซอฟารอคือซอฟารอเป็นเลือกและจะประสบชัยชนะในชีวิตถ้าอิคตารอเป็นเลือกธรรมดาเลือกที่จะกินแบบนี้เลือกที่จะดื่มแบบนี้เนี่ยเลือกธรรมดาซึ่งประสบหรือล้มเหลวก็ได้ชัยชนะในชีวิตถ้าฟัส ฟ, ฟัตบีลาติดีนให้เลือกงั้นมุสลิมเนะี่ยเวลาจะเลือกน่ะเขาเลือกเอาศาสนาเป็นตัวตั้ง เขาไม่ได้แม่เอาไม่ได้เอามาเสี่ยงดวงเ ก, ดวนนเกิดวันนู้นเกิดวันนี่จะอยู่กันไม่ได้ต้องอะไรนับนับหนึ่งสองสามเวดฉลุจออะไรรากาจอกรุณลงตรงนี้เอาไม่ได้ลงตรงนี้ก็ไม่ได้พอตกลงกันได้ดีแต่งข้างขึ้นข้างแรงก็ไม่ได้เดี๋ยวมืดชีวิตมืดบอต้องแต่งข้างขึ้นพอแต่งข้างขึ้นขําขี้ก็ไม่ได้ต้องแต่งข้ามคู่หนึ่งสามห้าเจ็ดไม่ได้เก้าสเอ็ดไม่ได้ต้องแต่สองสี่หกแปดสิบสิบสอง อ, อ๋ลเหรอเดือนหนึ่งใช้ได้กี่วันสิบวันคนกาเฟชใช้เดือนสามสิบวันกลางคืนนี่สามสิบเดือนมใช้ได้หกสิบวันหกสิบคืนนี่คือความล้มเหลวเมื่อสิ่งที่ไม่ใช่อ i s l a มันสอดแทรกเข้ามาในความรู้สึกและความเชื่อของเราวันไหนดีหมดละแต่สุบุตรดารอเราบอกยานบีบอกอย่าตำหนีวันเวลาฝ่อินนัลลอฮ์ฮุวัดดารออัลลอฮ์เป็นเจ้าของวันเวลาอย่าตำหนี วันทุกวันดีทีหมดแต่ที่ไม่ดีคือใครคือเราที่มีพื้นฐานมาจากไหนหมอดูหมอดูมีพื้นฐานมาจากไหนมาจากไซต์ตอนไซตตอนมีพื้นฐานมาจากตรงไห น, นจากทรยดตออลออันนี้ก็หลอกสิหมอดูไปกันไปเจิมให้สามีรักถ้าจะให้ดีให้หมอเจิมก่อนอา้าวแล้วภาษาโบราณบ้าแล้ว บาแล้วหมอเจิมก่อนเพราะเพราะสัทาง่ะยานะถามา้อมีถามีไม่ดีจริงๆขออุทต่อองอัลลอฮถจากการมีชีวิตอยู่กับเขาไม่เป็นการดีสำหรับฉันแล้วเนี่ยขอลอจับแยกไปช่ม่หลาหมอดูเารหแล้วนจับแยกไปามอดนลิอกามินอับามนาบินแล้วี่ยอร้อัยก่102อ ข่าวเร้นลับนั่นก็คืออะไรที่เป็นความลับก็คือนบียูซุปได้อะไรมาจากวาฮีว่ายุนยูฮาวาฮีคืออะไรมายูฮาอิลราร์อซุนสุรรละอุชลัลมอิลรารรอซุนอิลันนบีเยาวรอซูนวาฮีคือสิ่งที่อลัลลอฮ์ส่งลงมาให้กับนบีและรอซุนโดยเฉพาะนะวาฮีส่งมาดิช้อะมะยีดาต์ก็ส่งมา ให้กับนบีและรอซูลโดยเฉพาะงั้นทุกนบีจะมีมุ่งยิ่าดนบีมูซาเป็นยังไงนบีเยอะแยะมันมีมันมีบทเรียนมีคำสอนงั้นอลัลละฮ์ก็เด็กคุ้มครองอลัลลอฮ์เป็นวาลีคือผู้คุ้มครองทั้งในดุนยาและอาคืออั และคุ้มครองบรรพุรุษของนบียูซุปอะลส์อิสลามนาบียูซุปไม่เด่นอย่างเดียวแต่คุ้มครองจนถึงนบีอิบรอฮีมนบีอิสฮักด้วยนี่คือสายตระกูลของนบีนะงั้นสายตระกูลของนบีคุ้มครองหมดพอพูดนบีอิบรอฮิมมันก็เชื่อมต่อกับกุรบาลที่จะมาถึงวันอีดุลอัฎพาวันตัดฉลิกสามวันวันอีกกับวันตัดฉลกก็มีสุนนะให้เชื่อสัตว์ทํากุรบาล นะใครมีความสามารถรึงวัวก็วัวไปอูดก็อูดไปอ้าวนะถ้าว่าถ้าว่าตังน้อยก็เชืดแพะตัวหนึ่งได้ทั้งครอบครัวแล้วก็เชืดแล้วก็แจกนะเก็บไปนิดหน่อยตับไตนิดหน่อยก็พอแล้วเนื้อนิดหน่อยพอเนื้อไรู้เก็บตังร้อยห้าสิบฮัลโหลแจกไปแจกไปใช่อีดุนฟิตข้าวอีดุนด่นตะาเนื้อ เก็บข้าวไว้เพื่อรอเนื้อก็ได้เก็บเนื้อคราวนี้ไว้เพื่อรอข้าวข้างหน้าก็ได้นี่คือน้ําใจอ่ะเป็นสุนนะเป็นแบบอิสลามที่ที่มีน้ําใจแก่กันและกันใช่ไหมไอการขับเคลื่อนเนี่ยมันเป็นต้นแบบของชีวิตไงให้เราได้จดจําแล้วพอไม่ใช่วาระของอีดุนฟิสอิโดอาการให้มันก็ยังคงมีอยู่นเน้นแค่การให้ต้องรู้จักการให้อย่าเอาอย่างเดียวอ่าอย่าเอาอย่างเดียว ที FM, Beni, ่แขวงไปแขวงมาเราเทบหายเป็นไ้ใครแต่นั h, ้นเด่ะใช่นะเออเออมันไปของมันเองหนูหนูเปล่าหน้ามันมาเองโอเคนะงั้นนาบียูซุปเน่ะความฝันของนาบียูซุปเน่ จะเห็นรูปธรรมที่ชัดเจนหุมรูปลักษณ์ที่ชัดเจนวันไหนวันที่นูน้นพี่น้องมาหาอะไรแต่อะไรยอมรับท่านนาบียูซุปแล้วปัญหาต่างๆได้แก้แบบเบ็ดเสร็จแล้วพ่อแม่ของนบียูซุปก็ไปอยู่กับนบียูซุปที่อียิปต์แล้วก็พวกนั้นก็ยอมจำนวนต่อนบียูซุปนี่แหละเราไอตุมลีซา ย, ายดีนฉันฝันเห็นดาวสิเอ็ดดวง อาดาอัลลอฮฺก่าวกบันวะชัมตะวันก็มัดฝันเห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์คือพ่อแม่ไรอตุ้มลีซายียดีนและเห็นคนเหล่านั้นได้สอยู่ต่อฉันงั้นคนเหล่านั้นสอยู่ต่อท่านอบียู์ุสุวันไหนตั้งหลายปีในความแห้งแร้งเกิดขึ้นตั้งหลายปีก็ถึงบทสรุปที่อันกุรอฮีที่มาถึงนบียูสุปความฝันที่มาถึงนบียูสุปงั้นเป็นจริงแน่นอนงั้นความจริงที่เราจะประสบย่ารี่ ทำไปทาไปอลัลลอจะประทานให้กับเราเองวันนี้อยากมีเงินอย่ารีบรวยขอนุอาต อ, อาัอลลออัลลจะให้ทีละระดับไปทีละระดับไปถ้าถ้ารวยตูมมาเลยเนี่มีสามสิบล้านมีเงินอยู่หกพันได้มาสามสิบล้านโอ้โหสำลักเงิ น, นตายนะทุกวันนี้มุสลิมเราที่เสียส่วนอยญ่ก็สำลักเงินก่อนๆไม่เคยมีเราพอมีพอกินพ อ, อยู่ ต่อไปพอขายที่ได้สาสิบล้านหกสิบล้านสําลักเงินตายกันเป็นแถวตายยังไงอะ่ะลูกอยากได้มอเตอร์ไซค์พ่อแม่ก็ซื้อให้เอาคุณแอมาบอกหน่อยที่คุณแอว่ารถที่วิ่งเร็วที่สุดคือมอเตอร์ไซค์ไม่ถึงห้านาทีถึงบา้านรักบื้อตูมเรียบร้อยวิ่งโดนยาถึงบา้านรักเลยสามนาทีเพราะสําลักเงินคิดไรไม่ออกมอเตอร์ไซค์ก่อนถ้าจําเป็นหมาว่า นะแล้วสิ่งกันไปสิ่งกันมานะนี่งั้นอย่าสำลักเงินมีก็ต้องค่อยๆ ค, คุมค่อยๆดูแลให้ดีอย่าเหนียวเขาบอกขี้เหนียวยังพอไหวถ้าแข็งแย่เลยแกะไม่ออกเอาละพอหลวมๆขี้เหนียวบ้างก็พอดัดได้อย่าขี้แข็งนะแกะไม่ออกต้องใช่อะไรใช้เหล็กสกัดอ่าต่อไป ที่อัลลอฮ์ไว้ให้กั น, นบนมูซุฟวามาอักสารุนนาสีวะละฮารัสตา บ, บีมุมินินก็มาถึงเกี่ยวข้องกับลบียหมุฮัมมัดสอดสลามคืออย่างนี้คุณอ่านจะเป็นอย่างนี้จะจะประมวลเรื่องราวต่างๆแล้วก็บอกให้กับทางเบีมุฮัมมัดรู้ว่าก่อนหน้านี้วิกฤตที่เกิดขึ้นนบีก่อนหน้านี้เจออะไรเจออะไรไม่ได้มีสบายเลยนบีอ่ะ แล้วจะดูแบบเด่นๆ เ, เลยเขาเรียก อ, อุลุนอัส ม, ม, ม, ม, มีมีห้าคนมุฮัมมัดอิบรอฮิมมูซาอิสานุนี่เขาเรียก อ, อุลุนอัสมีทั้งห้าท่านนี่วิเชิยกับมาเชิญกับวิกฤตหลากหลายอย่างหนักหน่วงรุนแรงน บ, บีนว่เจอยังไงลูกไม่ศรัทธามีลูกคนหนึงไม่ศรัทธาต่อน บ, บีนว่น บ, บี บ, บอกยาบุน่ายาลกามานาโอ ลูกเอ๋ยให้ขึ้นมาอยู่บนเรือพร้อมกับพ่อเถิดลูกไม่ขึ้นเดี๋ยวพ่อพ่่าเดี๋ยวจะจมน้ําตายนะลูกไม่ขึ้นเรือเพราะคือมีเงื่อนไขว่าถ้าขึ้นเรือต้องศรัท ธ, ธาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเก็บว่าเนาบิยุนุ่นเนบิยุนุ่นต้องการจะรักษาผู้ศรัท ธ, ธาต่ออัลลอฮ์ขอดโดยให้น้ําท่วมโลกแต่ต้องการจะรักษาผู้ศรัท ธ, ธาต่ออัลลอฮ์ให้อยู่บนเรือถ้าอยู่บนเรือนี่จะรอดพิ่มจากการจมน้ําตายแล้วผู้ศรัทธาจะอยู่ ไอ้คนที่กระเราะกราทั้งหลายที่น้ำท่วมโลกก็ตายกันไปหมดแต่นั่นแหละพี่น้องลูกกันแหละลูกของตัวเองกันแหละไม่ศรัทธาต่อลอสตาลาพ่อเตือนแต่ไม่เชื่อตรงนี้เป็นบทเรียนว่าเมื่อพ่อแม่ที่มีอิสลามเขาเตือนเราต้องเชื่อและเปลี่ยนแปลงปฏิบัติตามลูกไม่เชื่อไม่ศรัทธาแต่ว่าลูกก็ลอยอยู่ในคออยู่ในทะเลน้ามันท่วมเนี่ย นะก็อะไรนะยาบุญน ย, ยกากรรมมาณนาะตั้งปีนัวก็เรียกนะลูกเอ้ยขึ้นมาอยู่บนเรือเธอมีนยัยยะว่าศรัทธาถึงอยู่บนเรือได้ลูกไม่ขึ้นลูกว่าไงรู้ไหมนี่มุมนิดนึงให้ให้คอสังเกตคนเราถ้าไม่เชื่ออารอลอจะเชื่อวัตถุไม่เชื่อไม่ศรัทธาต่ออารอลไม่เชื่ อ, ต, อ, อ, อ, อต่อพ่อที่ได้ร้ อ, องสู่อารอลจะเชื่อวัตถุลูกต่อพ่อว่าไงไม่ขึ้นเรือหมายความว่าไม่ศรัทธา รู้บอกว่าซาวีลาจาบาลินยาซิมูนีมีนันมาฉันจะไปอาศัยอยู่บนภูเขาข้างหน้านู้นและหวังว่าภูเขาจะปกป้องฉันให้พ้นจากการจมน้ําตายเสร็จแล้วว่าไงไม่เชื่ออรอเชื่ อ, อได้เชื่อภูเขาภูเขาเป็นได้ก้อนหินวัตถุนี่มันจะเป็นงี้รู้จกักกันหรอจะไปที่ก้อนหินวัตถุเจเวตต่างๆนี่คือภาพที่เราเห็นกุอยูในสังคมปัจจุบัน ที่พนมุ่ยมาศรัทธาต่อเราเยอะแยะงั้นเราอยู่กับผู้ศรัทธาต่อเราแบบไหนไม่ว่าเขานะอยู่แบบไหนอยู่แบบที่เราะสั่งแบบไหนละกุมดีนุกุมวาริยดินศาสนาของคุณวิถีชีวิตของคุณคุณปฏิบัติไปไม่เกี่ยวข้องกับเราวาริยดินสําหรับฉันก็วิถีชีวิตแบบไปสามของฉันนี่คือการแบ่งแยกที่ชัดเจนในเรื่องของอักีร่าเรื่องอิบาร์ดะแต่เรื่องสังคมเราทํางานร่วมกันอยู่ในสังคมได้กัน ไม่ใช่มุสลิมขับแท็กซี่มุสลิมนั่งได้อย่างนี้เรื่องสังคมแต่เรื่องอิบาตดศา ส, สนาความเชื่อของใครของมันเราต้องทะเลาะกับใครไหมเราไม่ต้องทะเลาะกับใครนี่อลัลลอฮ์บอกนะอลัลลอฮ์พูดถึงเขาก่อนด้วยละกุ้มดีนุกุ้มศาสนาของคุณคุณปฏิบัติไปวาลียสาหรับฉันดีนก็คือศาสนาของฉันมันชัดไหมล่ะต้องอยู่แบบชัดเจนนะต้องอยู่แบบชัดเจน ถ้าอยู่แบบไม่ชัดเจนสับสนนี่คุณข้างบ้านผมเชาาบ้านแล้วตายก่อนหน้านั้นก็บอกกับเพื่อนบ้านว่าฉันตายแล้วเอาฉันไปฝังนะเพราะก่อนหน้านี้นฉันเคยมีสามีเป็นมุสลิมอยู่แถวหลัดบกขาวฉันยังเป็นมุสลิมแต่มาได้สามีใหม่ก็มีลูกที่ไม่ใช่มุสลิมไปบวชแต่ใจก็ว่ากันไปแต่ทาง ทางคนที่รับสั่งเขาก็ไปสื่อทางลาดบัวขาว่าคนคนนี้มีรายชื่อในทะเบียนของสันักบรุษมัสยิดไหมเขาก็ตรวจสอบอยู่ไม่มีเพราะหลังจากสามีตายแล้วมุสลิมที่ตายสามีเข า, า, เขาก็มาได้สามีใหม่ก็ไม่ได้กลับไปที่มัสยิดนั้นอีกท้ายสุดลูกพ่อใหม่ก็ตัดสินใจเอาไปเผาวันรออลลัม หลังจากนั้นเป็นไงไม่รู้เพราะเขาตายไปแล้วถ้าเขาอีหมานตาอนล้อเผาก็คือเผาอิสลามยังอยู่กับเขาแล้วบาไม่เราไม่บาเพราะว่าสืบแล้วไม่รู้ว่าใครเป็นใครอ่ลรอบ้างบ้างเนี่ยคนเนี้ยถึงเช้าก็หากระดาษตามทางขยะผมก็เก็บกระดาษไปให้แกหนังสือตั้งหาไม่รู้ใจมันใจมันสงสานะรน่ะให้แกนะเดินแบบเงาะเก็บกระดาษหนังสือเรียนบ้างอะไรบ้าง ของกระดาษที่เราเก็บเก็บไก็ให้แกไปมารู้ตอนหลังก็ทำแล้วนะถ้าเขาศรัทธาต่อเลาะแล้วลูกที่ไม่ศรัทธาจะเอามายัดไปฝังไปเผาอะไรแล้วแต่ไปฝังไปฝังมุสลิมต่องเอาไปเผากับวะราอา้อหรือเป่าบทีอำนาจต่อรองทางกฎหมายเป็นของเขาก็ว่ากันไปนั่น น, นี่เราต้องระวังคนนี้ <c oughs> แล้วก็บทเรียนต่างๆเนี่ยเราก็มาเล่ามาบอกให้กับนบีมัวหมัดได้รับรู้งั้นต่อไปความเป็นนาบีความเป็นอันูสุลจะต้องเจอกับวิกฤตที่อะไรนะที่ประสบการณ์ของชีวิตแต่หุ่นหลังอะ่ะมันก็จะเวียนมาเจอกับนาบีอีกครั้งหนึ่งดื้อดึงต่อต้านทําลายใส่ร้ายจะไหมอยู่มักกะก็ไม่ได้ถูกบีบขั้นจะต้องอพยพไปมาดีนะไปมาดีนะก็เจอกับพวกยิวเยอะแยะหลายกลุ่มหลายกบีละ ก็ต้องสู้ที่จะอยู่กับสังคมเหล่านั้นใช่ไหมอพยกหนีไปอยู่ในพวกเขาเพราะอะไรเพื่อรักษาอิสลามที่อยู่ในตัวของท่านนาบิมาซอลันใช่ไหมไววหีลงมานายบีก็เอาบอกนบีก็บอกนบีก็บอกต้องหนีนะต้องหนีอ้านาบีกลัวตายแหละก็เป็นธรรมดาของมุษก็หนีไปก่อนเพราะหน้าที่ของการปฏิบัติยังมีอยู่นบีอบอพยกไปมาดีนนะ ความกังวลความคิดถึงมกักกะที่อยู่มานานนะ บ, บีคิดถึงน บ, บีคิดถึงอลัลลอฮ์ลงคุณอ่านมาว่าอินนัลละีฟรารดออะไรกันกุลอาณ์อัลลอฮ์ดูการิลามาอาัดผู้ที่ประธานอัลกุรอานให้กับท่านนั้นนะจะให้ท่านกลับมาคืนมาที่มกักกะอีกครั้งหนึ่งให้กลับมกักกะอีกน บ, บีก็เลยกลับมามกักกะมายึดมกักกะน บ, บีก็กลับมกักกะมาตวาะวัฟเสอแอมาทําพัดมาทําอุลร แต่ถ้าสุนน บ, บีก็ไปอยู่ที่มั ด, ดีนนะมีสงคารามครังหนึ่งที่ทซับสงคารามได้รับซับสงคารงคามมาเรื่อยซับก่อนนี้มั้ยนบีแบ่งให้ชาวมุฮาจิรินเยอะคือพวกมักกะเยอะแต่ชาวมั ด, ดีนะได้รับน้อยชาวมั ด, ดีนะสอฮาบะก็บางคนก็ไม่เคยไม่สบายใจว่าทําไมได้น้อยน บ, บีบอกว่าท่านจะอยู่ที่นี่และลุมศพ ข, ของท่านก็จะอยู่ที่นี่งั้นมักกะมีบใยตุ่นหรอมัดดีนนะมี ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลต์สลัมที่ไม่เน่าไม่สูญสลายดินไม่กินนบีอยู่ที่นั่นเราไปขอตอนนบีได้ไหมไม่ได้แต่ให้สารางกับนบีนบีอบดุลบาอุมัดจะขอด้วยอาก็หันหลังให้กระหลุนศพนบีเพราะกินลัดอยู่ตรงข้ามก็ขอด้วยอาการนบีได้มันมีบทเรียนทุกกระเบียดนิ้วเลยตอนนบีตายเนี่ยไอชาไปเยี่ยมนบี บูประกาศฝังคู่กันเลยมีไอซาไมา่ได้คุมียาบแต่พอไซนาลมัดมาฝังด้วยตรงนั้นไอซาบไปเยี่ยมกรูบสไอซาคุมีมยาพเพราะอุมัตไม่ไม่ใช่มารอมอุมัตไม่ใช่สามีอ่อุมัตไม่ใช่ไม่ใช่พ่อนะและไม่ใช่มารอมอ่ะเยอะไปแล้วนะต่อไปงั้นก็เราประวัติให้นายเอุ ม, มัดฟังนั่งมีเจริสุ ว่ามนะาทัสองูห์มอัลลอฮิมินอจีรินอินหัอิลลัดิกรุลินอาลามินนะขยะที่เอ่อขยะที่ร้อยสี่ร้อยสี่หมายความว่าไงนบีไม่ได้ขอรางวัลจากพวกเราพวกเขาในเรื่องนี้แต่เป็นการตักเตือนคือเวลาเวลาสอนศาสนาเนี่ยไม่ได้ขอรางวัล แต่ทำหน้าที่ตักเตือนทำหน้าที่ตักเตือนต้องต้นเนียรให้ดีนะถ้ามาเพื่อสตังเนี่ยไม่ได้บุญนะได้ตังแต่มาเพื่อเก็นการตักเตือนศาสนาและเจ้าภาพเขาช่วยเรื่องค่าค่ารถค่าไรเนี่ยไอ้นี่อะทำดูดิละมาเพื่อมุ่งสตังเยนะได้สตังแต่ไม่ได้บุญถ้ามาช่วยเป็นการสอนเป็นการตักเตือน แล้วว่าเจ้าภาพเขาช่วยค่ารถค่าไรเนี่ยอาทำนั้นแล้วอีกส่วนหนึ่งแต่ใจเราอย่ามุ่งสตังหมดแต่ลิ้นแล้วตรงการสอนใหม่หมดนั้นอย่าแหลกใจมางทีมันแวบขึนหน้าจะได้ตังเยอะๆเลยใช่ไหมแต่ว่าอย่าแวบใช่อย่าเป็นแบบนั้นเขาก็จะให้เขาก็จะให้ว่าค่าพานะวิทยากรใจเราจะได้ไม่แวบ <c oughs> เพราะฉะนั้น อิสลามต้องเตือนนะเพราะอิสลามมันเป็นศาสนาแห่งการตักเตือนไม่ได้บังคับอิสลามไม่ได้บังคับนะไม่ได้ใครบังคับใครให้มารับถือนับถือศาสนาอิสลามแต่มานับถือเพราะยอมรับในความเป็นจริงที่อิสลามมีอยู่ทั้งฝั่งนู้นคนที่ไม่ใช่มุสลิมมาเรียนอิสลามเยอะเข้าใจอิสลามและได้รับข้อเปรียบเทียบว่าอิสลามนนั้เป็นคําสอนที่สมบูรณ์แต่หลายคนรับอิสลามแต่หลายคนก็ไม่ได้รับอิสลาม เพราะไรการรับอิสลามไม่ได้มาจากมาจากไรการยอมอย่างเดียวแต่อัลลอฮฺฮิดาย่างให้หรือเปล่าอบดุอริบลุงนบีรู้ไหมว่านบีเป็นตอวซุนรู้เข้าใจทั้งหมดแหละแต่อับดุลตอริบกล้าจะตายนบีสอนกันเลยมหอับดุลตอริบลุงนบีอับดุลตอริบนู่นปู่นะลุงนบีกล้าจะตายน่ะอุปถัมม์นบีปกป้องคุ้มครองดูแลนบีมาโดยตลอดนบีสอนกันเลยไหม ลุงนะ บ, บีอบูตอลิบอบูตอลิบจะเป็นพ่อของไซนาอัลีแต่ว่าอบูตอลิบไม่ได้รับการิม่ที่นะ บ, บีสอนเพราะอะไรสิ่งกระตุ้นเตือนที่ที่ที่ทชักนําคือมองไปยังพวกพวกบอกไม่ให้เอานะไอ้ตรงนั้นว่ารออาลัมเขาตัดสินใจไม่รับเพราะพวกหรือเพราะจริงๆแล้วโดยบทสรุปคืออัลลอฮ์มะฮิดายะให้งั้นพวกไม่ดีเนี่ยมันจะดึงเราไปในทางที่ไม่ดีด้วย คนดาวเสียงส่วนหนึ่งเสียเพราพวกงั้นหันไปมองพวกพวกไม่เอาไม่เอาก็ก็เลยไม่ได้รับชาดาอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งแต่ว่ารออารัมสรุปว่าอลัลลอฮม่ฮิดายะให้แต่ว่าอบูตาลิบไ อ, อดุลมตลิบเนี่ยจะได้รับการผ่อนปลนเรื่องอาซาบจากการลงทุนของอัลลอ์มีการผ่อนปลนนะอาซาบไมบีเนี่ย อาซาบที่เราอบอกมาขนาดไหนนบีบอกว่าถ้าความไฟนรกฐานไฟนรกมีขนาดท้าเม็ดถั่วเขียวรเราไปเหยียบเนี่ยเราไปเหยียบมันจะเดือดดันสมองมันจะเดือดแต่เดือดกันสมองนะแรงขนาดไหนอ่ะทำไมแรงล่ะอ่ะเราอบอกสิ่งดีๆมาคุณเลือกซิคุณเลือกวากาไอยามินอายาตินกี่มากน้อยแล้ว สัญญาณต่างๆในชั้นฟ้าและเป็นดินที่พวกเขาผ่านไปโดยผู้ที่พวกเขาหันหลังให้งั้นสัญญาณต่างๆที่ฟ้าฟ้าและเป็นดินที่มีอยู่นั้นน่ะมันเป็นสัญญาณต่างๆที่อัลลอฮ์ให้มาเพื่อเชื่อมต่อชีวิตเรากับคําสั่งของอัลลอฮ์ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เป็นประโยชน์สำหรับมนุษย์ทั้งหมดดาวฤกษ์ดาวเคราะห์เป็นประโยชน์สำหรับมนุษย์ทั้งหมดและวันดีคืนดีมาจากวันดีคืนดีตามเรื่องอัลลอห์มีจันทคาาอัลลอห์มีสุริยะคาา มันไม่ใช่ปรากฏการที่ทําให้คนต้องประบความล้มเหลวด้วยความความกาโกหกหุนของชีวิตแต่กําลังบอกว่าปรากฏการ์ต่างๆเหล่านี้เราต้องอีบาร์ด้าต่อเราในการเชื่อมต่อคําสั่งของเรากับปรากฏการ์ที่เกิดขึ้นเราจึงมีละหมาดสุนัขจันท aka าาเราได้มีสุนัขสุรยาาิยค่าซึ่งแตกต่างกับวิธีปฏิบัติของคนที่ไม่ศรัทธาต่อเราจันทา k a ปุ๊บสุรยาาิยค่าปุ๊บทําม่ได้ยิงปืนตีกองเคาะกำมัง ถ้ากำลังพูดได้คงจะพูดว่าทำไมมันเกี่ยวกับกูด้วยละ่ะทำไมถึงทำกับฉันได้คงจะพูดงันละเคาะน่ทมันเจ็บนะเราละหมาสุนัตจันทคาสุเรอาค่าเนี่ยนี่ของเราไงผมจึงมาจะใช้ประโยชน์เ ส, สมอว่าเราต้องเชื่อมต่อชีวิตของเรากับคำสั่งของอัลลอฮ์ในทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น how เกิดว่าไงอัอุซุบิลลาฮิมาชอตนราะี how โอ้ยมันมาดูเลยพอจามเฉยอัลฮัมดุดลิลละมาเลยอิสลามมาเลยอัลฮัมดุดลิลละคนได้ยินก็ยารธรรมุกันรอไอคนจามบอกว่ า, วาอีกครัง้งยาดีนะวาวะยาดีกุมูลรอวะยุสลูกบาละกุมนี่กระบวนการจัดจามเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนี่เราไหมจามเฉยโอ้ยมันน่าดูเลยนะเขาให้เก็บเสียงหน่อยๆด้วยเนี่ย ของเราจะไปไหนอ้าวสมมุติไปไหนก็แล้วนบีสั่งว่าเดินทางไปทางกลับทางเอาไปละหมาดวันอีดเดินทางนี้กลับทางนี้นักเลงเอาไปใช้ไปไหนต้องเดินทางกลับทางเดี๋ยวมันดักซุ่มโจมตีนี่นบีสั่งไละหมาดอีดเดินไปแต่นี้เราต้องเลือกทางเดินแต่ทางนี้เดินไปมันมีซ่องอีกทางนี้เดินไปไม่มีซ่องแต่เราก็ไม่ได้เข้าซ่องนะเลือกทางเดินที่ดีกว่าคือไม่มีซ่องไม่มีฟิตรนาจากคนอื่นถ้ามี คนอื่นอาจจะคิดอย่างงุ้นอย่างนี้แต่เราไม่มีไรเราใจตรงเพื่อนเรานี่คือการรักษาความบริสุทธิ์ให้กับตัวเองเราต้องต้องต้องอิฟาตรงนั้นเพราะฉะนั้นว่ามาอ่มินุอักซุรุหึมบิลละอิลลาหวะหุ ม, มุชริกูลอัลลอฮ์ก็บอกในตอนท้ายว่าถึงจะสอนจะสั่งอิสลามแบบไหนก็ตามน่ส่วนใหญ่พวกเขาจะไม่ศรัทธาต่อเราเว้นแต่พวกเขาเป็นผู้ตั้งภาคีเสียมากกว่า งั้นเราอัลฮ ah ัมแลอัลลอฮ์ให้อยู่นะอันอิสลามได้รับพิดายาจากอัลลอฮ์โดยสมบูรณ์อิสลามที่อัลลอฮ์ส่งผ่านนาบีมาถึงเราปฏิบัติให้ครบพี่น้องเอาให้ครบเลยวันอาราฟา็ถือบวชจะมีความเหมือนความต่างตรงนี้ไม่ต้องแปได้วันอาราฟาถือบวชหลังจากอาราฟาอีทแล้วก็เชิดกุรบานตัชรีอีสามวันก็เชิดกุลบานนี่คืออะไรนี่นี่คือสิ่งที่เราปฏิบัติเพราะงั้นในบทสรุปก็คือว่าสิ่งที่นบียุซุฟได้รับประเจ้าก็คืออะไร อลัลลอฮ์ให้รู้เรื่องการทํานายฝันอลัลลอห์ดูแลผู้ปกครองผู้ประชาชนต่างๆอลัลลอฮ์ให้ได้พบกับพี่น้องอลัลลอฮ์พบกับพ่ออลัลลอฮให้ได้พบกับแม่อลัลลอห์เป็นคุณนางผู้ยิ่งใหญ่ด้วยความดีของละเบียยูซุฟทั้งหมดนะแล้วก็ละเบียูซุฟก็ให้อาภัยต่อความผิดของพี่น้องที่รวมตัวกันเพื่อทําลายเพื่อฆ่าลบียูซุฟและไปก็หกกับพ่อว่าสุนัขป่าเอาไปกินที่ไหนได้ไปโยนอยู่ในบ่โยนยในเหวเอลัลลอฮ์จะไม่ให้ตายก็คือไม่ตาย อัลล์าจาเป็นผู้ยิ่งใหญ่กาหนดการของอัลลอ์แต่เราต้องเป็นก็คือเป็นบ่าวของอัลลอ์ที่อมานต่ออัลลอ์และก็ฉุก้อิบาดาต่ออัลลอ์แค่นั้นเองที่เราต้องเป็นขอนตอัลล์และประธานดายะนะครับให้กับผมพี่น้องและการลูกหลานของเราให้เกาะติดกาอิส ล, ลามโดยตลอดโดยทั่วกันนะครับลลอฮบิฮัมดิกะอัชดลาอิลอิลลอัอัสาฟิรกวตบุไลพร้อมสัลัมุอะลัยกุมุลลอฮ์ะบารกาตุ